ติขาบทวิพัง1นึ่งพัน่้อคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคําว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้คอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์าว่าภิกษุณีในความหมายนี้ที่ชื่อว่ามีอายุครบสิบสองปีคือมีอายุ ถ, ถึงสิบสองปีแล้ว ที่ชื่อว่าหญิงที่มีครอบครัวถ้าผู้มีพระภาคตรัดหมายถึงหญิงที่เคยอยู่ร่วมกับชายคำว่าตลอดสองปีคือสิ้นสองปีที่ชื่อว่าผู้ศึกษาสิกขาคือได้ศึกษาในธรรมหกข้อแล้วที่ชื่อว่ายังไม่ได้สมมุติคือสงฆ์ยังไม่ได้ให้การรับรองกับการบวช ด, ด้วยยติทุติยกรรมคำว่าบวชให้คืออุปสมบทให้ พิชชนีตั้งใจว่าจะบวชให้แล้วแสวงหาคณะอาจารย์บาทหรือจีวรหรือสมมุดซีมาต้องอบัตรทุกขกดจบยติต้องอบัตรทุกขกดจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอบัตรทุกขกดสองตัวจบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายพิกษุนีผู้เป็นอุปชาต้องอบัตรบาจิตตีคณะและอาจารย์ต้องอบัตรทุกกด